พระบัญญัติ734ก็ภิกษุณีใดทำการสะสมบตดต้องอบัตินิสักคียปาจิตตีเรื่องภิกษุณีชพคีจบ